ฮิริภละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนกิริยาที่ละอายต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละอายกิริยาที่ละอายต่อการประกอบสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าหิริภะละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นโอตปะภะละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนกิริยาที่เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรเกรงกลัว กิริยาที่เกรงกลัวต่อการประกอบสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าโอตปะภละที่เกิดขึน้นในสมัยนั้นอโลภะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความไม่โลภกิริยาที่ไม่โลภภาวะที่ไม่โลภความไม่กำนัดกิริยาที่ไม่กำนัตภาวะที่ไม่กำนัดความไม่เพ่งเล็งกุศลมวโคืออโลภะในสมัยนั้น นี้ชื่อว่าอโลภะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นอโทสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความไม่ค icons, ิดประทุษร้ายกิริยาที่ไม่คิดประทุษร้ายภาวะที่ไม่คิดประทุษร้ายความไม่พยาบาทความไม่คิดเบียดเบียนอุสลมูลคืออโทสะในสมยัยนั้นนี้ชื่อว่าอโทสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นอโมหะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน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 ปัญญาปัญญินสีปัญญาพละปัญญาเหมือนศาสตราปัญญาเหมือนประศาส์ความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิธรรมวิทยะสัมโพชงอันเป็นองค์มรคนับเนื่องในมครคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอโมหะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น อนาพพิชาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความไม่โลภกิริยาที่ไม่โลภภาวะที่ไม่โลภความไม่กำนัดกิริยาที่ไม่กำนัดภาวะที่ไม่กำนัดความไม่เพ่งเล็งกุศลละมูลคืออโลภะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอนาพพิชาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นอัพยาบาทที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความไม่คิดประทุษร้ายกิริยาที่มีคิดประทุษร้าย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 ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้อย่างแจ่มแจ้งความค้นคิดความคล้ยครวนปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ดีปัญญาเหมือนประตักปัญญาปัญญีสีปัญญาภละปัญญาเหมือนศาสตราปัญญาเหมือนประสาสความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีป ปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิธรรมวิจยะสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นน้ชื่อว่าสัมมาทิฐิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหิริที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนกิริยาที่ละอายต่อการประพฤติชัริอันเป็นสิ่งที่ควรละอาย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 กายปัสสติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความสงบความสงบระงับกิริยาที่สงบกิริยาที่สงบระงับภาวะที่สงบระงับแห่งเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันปัสสติสัมโอชงในสมัยนั้นนีิชื่อว่ากายปัสสติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจิตปัสสธิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความสงบความสงบระงับ กิริยาที่สงบกิริยาที่สงบระงับภาวะที่สงบระงับแห่งวิญญาณขันต์ปัสถิสัมโพชงในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตตปัสถิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นกายละหุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความเบาความรวดเร็วความไม่เชื่องช้าความไม่หนักแห่งเวทนาขัน์สัญญาขัน์และสังขารขันต์ในสมัยนั้น น gamer, یا, raw, at, ี้ชื่อว่ากายระหุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจิตตะละหุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความเบาความรวดเร็วความไม่เชื่องช้าความไม่หนักแข็งวิญญาณขันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตตะละหุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นกายมมทุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความอ่อนภาวะที่อ่อนความไม่แข็ง ความไม่กระด้างแห่งเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ากายามุทนนมตมุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจิตตมุทุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความอ่อนภาวะที่อ่อนความไม่แข็งความไม่กระด้างแห่งวิญญาณขันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตตมุทุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น กายกรรมัญตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความควรแก่การงานกิริยาที่ควรแก่การงานภาวะที่ควรแก่การงานแห่งเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ากายกรรมญตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจิตตะกรรมัญยตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความควรแก่การงานกิริยาที่ควรแก่การงาน ภาวะที่ควรแก่การงานแห่งวิญญาณขันธ์ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตตะก ร, รมัญญตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นกายะปาคุญญาตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความคล่องแคล่วกริยาที่คล่องแคล่วภาวะที่คล่องแคล่วแห่งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ากายะปาคุญญาตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น จิตตปาคุณยตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความคล่องแคล่วกิริยาที่คล่องแคล่วภาวะที่คล่องแคล่วแห่งวิญญาณขันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตตปาคุณยตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นกายุชุ ก, กตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความตรงกิริยาที่ตรงความไม่คดความไม่โค้ ง, ค ว, มมงความไม่งอแห่งเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขัน ในสมัยน chapters, ั <les> ้นน <ela> <les> <les> э <les> ี้ชื่อว่ากายุชุกตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจิตุชุกตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความตรงกิริยาที่ตรงความไม่คดความไม่โค้งความไม่งอแห่งวิญญาณขันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตุชุกตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนสติความตามระลึกความหวนระลึก สติกิริยาที่ระลึกความทรงจําความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินซีสติภละสัมมาสติสติสัมโพัวชงอันเป็นองค์มร์นับหนึ่งในมร์ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรร ความวิจัยทมความกาหนดหมายความเข้าไปกาหนดความเข้าไปกาหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้อย่างแจ่มแจ้งความค้นคิดความใคร่ครวนปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทาลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ดีปัญญาเหมือนปตัตปัญญาปัญญีสีปัญญาภละปัญญาเหมือนศาสตรา ปัญญาเหมือนปราศาสตความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิทิธรรมวิจยะสมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมปัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสมถะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความตั้งอยู่แห่งจิต ความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ซัดสายความไม่ฟุง้งซ่านความที่จิตไม่ซัดสายสมถะสมาธินสีสมาธิภละสัมมาสมาธิสมาธิสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสมถะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นวิปัสสนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความวิจัย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 ปัญญาเหมือนศาสตราปัญญาเหมือนปราสาทความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิธรรมวิจยาสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิปัสสนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นปักคาหะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน การปรารกความเพียรทางใจความขมักขม่นความบากบั่นความขนขวายความพยายามความอุตสาหะความทนทานความเข้มแข็งความหมั่นความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอยความไม่ท้อทิ้งฉันทะความไม่ท้อทิ้งธุระความเอาใจใส่ธุระวิริยะวิริยินทรีวิริยะภะลสัมมาวายามะวิริยะสัมโพชงอันเป็นองค์มรรค นับหนึ่งในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าปาคาหะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นอวิเคเผปะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไ น, นความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ชัดใสความไม่ฟุ้งซ่านความที่จิตไม่ชัดใสสมัฏะสมาธินีสมาธิภละสัมมาสมาธิสมาธิสัมโพชงอันเป็นองค์มรรค นับหนึ่งในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอาวิเคปะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกานเกิดขึ้นแม่อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลขันศีลายตนะสองท่าสองอาหารสามอินทรีย์เก้าฌานมีองค์ห้ามรรคมีองค์แปดพละเจ็ดเหตุสามปัสสะหนึ่ง เวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งเจตนาหนึ่งจิตหนึ่งเวทนาขันหนึ่งสัญญาขันหนึ่งสังขารขันหนึ่งวิญญาณขันหนึ่งมนายตนะหนึ่งมนินรีหนึ่งมโนวิญญาณธาตุหนึ่งธรรมายตนะหนึ่งและธรรมธาตุหนึ่งในสมัยนั้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกัรเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้น สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไ น, นผัสสะเจตนาวิตกวิจารปีติเอกราคตาสัตินรียวิริยินรีสตินินรีสมาตินีปัญญีนีชีวิตินรีอนัญญาตัญญาสาสมาตินีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัขปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัทธาภละวิริยะภลสติภละสมาธิภละปัญญาภละหิริภละโอตปะภละอโลภะอโทสะอโมหะอนัปจจาอพยาบาทสัมมาทิฏฐิหิริโอตปะกายปัสสัติจิตตปัสสัติกายละหุตาจิตตะละหุตา กายามุทุตาจิตตาโทุตากายกรมญญาากรมัญญาตาจิตตกรรมัญญตากายปาคุณ ญ, ญาตาจิตตปาคุณ ญ, ญาตากายุชุ ก, กตาจิตตุชุ ก, กตาสติสัมปัญญะสมถะวิปัจฉนาปะคาหะและอวิเคปะหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันสัญญาขันและวิญญาณขัน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 บรรลุปโมฌานบรรลุปัญจมฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาเป็นสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสุทิกะปฏิปทาจบ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 สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสุญญตะจบสุญญตะมูละกะปฏิปทาสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญชางที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุขให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสังัดจจากกามบรรลุปฐมฌานอันเป็นสุญญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญา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 เป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนหนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงังจากกามบรรลุปโธมฌานอันเป็นสุญญตะ เป็นสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสละถึงสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นชนหนโยค้าวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสังเกจากกรามบรรลุปฐมฌานอันเป็นสุญญา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 บรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุทัฌานบรรลุปฐมฌานบรรลุปัญจมฌานอันเป็นสุญญาตเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาอันเป็นสุญญาตเป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาอันเป็นสุญญาตเป็นสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาอันเป็นสุญญาตเป็นสุขาปฏิปทาขิปาภิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น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 บรรลุเจตุ t h a าบนบรรลุปฐมฌาบนบรรลุปัญจมฌานอันเป็นอปปนิหิตะอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลอปปนิหิตะจบอปปนิหิตะมูลกะปฏิปทาสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นชนยโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระ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 โยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกรามบรรลุปฐมฌานอันเป็นอภินิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอาวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉน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 โยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุทัชฌานบรรลุปฐมฌานบรรลุปัญจมฌานอันเป็นอปินิหิตะเป็นทุกขะปฏิปทาทันทาภิญญาอันเป็นอปินิหิตะ เป็นทุกขาปฏิปทาขิปาภิญญาอันเป็นอัปนิหิตะเป็นสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาอันเป็นอัปนิหิตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปาภิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลอัปนิหิตะมูลกะปฏิปทาจบมหาในายี่สิบ สภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยควจรบุคคลเจริญมากที่เป็นโลกุตระละถึงเจริญสติปทานที่เป็นโลกุตระเจริญสัมมาปทานที่เป็นโลกุตระเจริญอิทธิบาทที่เป็นโลกุตระเจริญอินทรีย์ที่เป็นโลกุตระเจริญพระที่เป็นโลกุตระเจริญพชอชองที่เป็นโลกุตระเจริญสัจจะที่เป็นโลกุตระ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 โยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกรามบรรลุปฐมฌานเป็นชั้นทาทิปไตยเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นวิริยาทิปไตยเป็นจิตตาทิปไตยเป็นวิมังสาทิปไตยอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้น สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยภาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุ์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นเพราะวิตกวิจารสงบรงะงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุถัชฌานบรรลุปฐมฌานบรรลุปัญจมฌาน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 เจริญสัมมาประธานที่เป็นโลกุตระเจริญอิสิบาที่เป็นโลกุตระเจริญอินซีที่เป็นโลกุตระเจริญพละที่เป็นโลกุตระเจริญโพ่อชงที่เป็นโลกุตระเจริญสัจจะที่เป็นโลกุตระเจริญสมถะที่เป็นโลกุตระเจริญธรรมที่เป็นโลกุตระเจริญขันท์ที่เป็นโลกุตระเจริญอายตนะที่เป็นโลกุตระเจริญท่าที่เป็นโลกุตระ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 เป็นจิตาตาธิปไตยเป็นวิมังสาธิปไตยอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้เชื่อว่าเป็นกุศลอธิปดีจบมรรคจิต ด, ดวงที่สองสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคลาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพาน เพื่อบรรลุภูมิที่สองเพื่อทำการมราคะและพยาบาทให้เบาบางสังัดจจากกามบรรลุปฐมฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาสละถึงอัญญีสีละถึงอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลเมื่อกระจิตดวงที่สามสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไน โยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อบรรลุภูมิที่สามเพื่อละกามราคะและพยาบาทโดยไม่มีส่วนเหลือสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสะอันยินตีอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล มัคจิตดวงที่สี่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุก์ให้ถึงนิพพานเพื่อบรรลุภูมิที่สี่เพื่อละรูปปาราอารูปปราคะมานะอุทจจะและอวิชชาโดยไม่มีส่วนเหลือสังัดจจากกามบรรลุปฐมฌานเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใด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 ความรู้อย่างแจ่มแจ้งความค้นคิดความคล้อยคลวนปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ดีปัญญาเหมือนประตักปัญญาปัญญีสีปัญญาภะปัญญาเหมือนศาสตราปัญญาเหมือนปราศาสตร์ความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้ว ความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสมาทิฐิธรรมวิจยะสมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับหนึ่งในมรรคเพื่อรู้ธรรมที่รู้แล้วเพื่อเห็นธรรมที่เห็นแล้วเพื่อบรรลุธรรมที่บรรลุแล้วเพื่อทราบธรรมที่ทราบแล้วเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ทำให้แจ้งแล้วในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอัญญสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นละถึงอวิเคปะก็เกิดขึ้น